ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกภิกษุณีใช้ให้ภิกษุณีให้บีบบ้างให้นวดบ้างจริงหรือภิกษุทั้งหลายฉนันพวกภิกษุณีจึงใช้ภิกษุณีให้บีบบ้างให้นวดบ้างเล่าภิกษุทั้งหลายการกระทาอย่างนี้